ราท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจคุศลทุ ก, ท, กทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญมาละบา มาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ด้วยความไม่ประมาณเพราะตอนที่พระบรมศาสดาจะจากพวกเราไปได้ทรงประทานภาพปฏิมโมว่าไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีการเจริญย่อมมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาชงยงประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดประโยชน์ของตนและของผู้อื่นที่พระเจ้าทรงสอนให้เราบำเพ็ญก็คือการทำบุญการละบาปการชำระใจให้สะอาดบริสุทธ เพราะเป็นประโยชน์ทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นเช่นเวลาเราทำบุญผู้ทำบุญก็ได้รับประโยชน์ผู้ที่ได้รับของจากผู้ทำบุญก็ได้รับประโยชน์การไม่ทำบาปผู้ที่ไม่ทำบาปก็ได้รับประโยชน์คือไม่ได้รับโทษผู้ที่ไม่ได้ถูกกระทำก็ได้รับประโยชน์ก็คือไม่ได้รับโทษ การชำระใจให้สะอาด่อยสุดก็เป็นประโยชน์เพราะจะทำให้ผู้ที่มีใจสะอาดโดยสุดตั้งอยู่ในความสงบไม่เบียดเบียนไม่สร้างปัญหาให้แก่ตนและผู้อื่นนี่คือประโยชน์ที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้แล้วนำมาเผยแป่สั่งสอนให้แก่สามโลกทั้งหลาย ให้พยายามปฏิบัติตามให้ได้เพราะผลที่ได้รับจากการปฏิบัติคือความสุขความไม่มีความทุกข์ภายในใจหรือบุญและกุศลจะเป็นสมบัติของผู้ปฏิบัติและสามารถนาเอาติดตัวไปได้เป็นสมบัติที่แท้จริงของผู้ปฏิบัติ สมบัติอย่างอื่นนั้นเป็นสมบัติชั่วคราวไม่สามารถที่จะเอาติดตัวไปได้หลังจากที่ตายไปแล้วเช่นลาบยศสรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมีมากน้อยเกยงไรเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปก็ไม่สามารถเอาสมบัติเหล่านี้ ติดตัวไปได้เลยดังนั้นอย่าไปหลงกับการหาสมบัติชั่วคราวให้มาหาสมบัติหาความสุขความหมดทุกข์ที่ถาวรดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วจะดีกว่าเพราะเป็นการกระทำที่ถูกต้องที่จะสามารถรักษาความสุขและดับความทุกข์ทั้งหลาย ได้อย่างถาวรนดังนั้นหน้าที่ของเราก็อยู่ที่การทาบุญการละบาปและการชำระใจให้สะอาดบริสุดธิ์การทาบุญก็คือหนึ่งการให้ทานการให้นี้เป็นการให้ในสิ่งที่เรามีมากเกินไป สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเก็บไว้เพื่อดูแลรักษาอัตภาพร่างกายเราก็ต้องเก็บเอาไว้เราให้ในส่วนที่เกินความจำเป็นเพราะบางทีบางคนมีบุญวาสนามากทรมาหากินเพื่อหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงอัตภาพร่างกายแต่เนื่องจากบุญที่เคยทำมาในอดีต ทำให้หามามากหามาได้อย่างมากมายเกินความต้องการเกินความจำเป็นของร่างกายก็ให้เอาส่วนที่เกิดนี้ไปแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดรอ้อนสำหรับผู้ที่มีบุญน้อยที่ไม่สามารถหาเข้าของเงินทองมาได้มากมาย ได้มาก็เท่าที่พอประทังชีพของตนไปถ้าในกรณีนี้ก็ไม่ต้องให้ทานก็ได้เพราะไม่มีอะไรจะให้และไม่ต้องไปดิ้นรนไปหาเพื่อมาให้ทานเพราะสามารถทำบุญอย่างอื่นได้นอกจากการให้ทานแล้วการรับใช้ผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นการทา บนอย่างหนึ่งช่วยเหลือผู้อื่นด้วยกำลังกายกำลังวาจาถ้าเราไม่มีทรัพย์มากที่จะให้ผู้อื่นได้แต่เรามีวิชาความรู้เราก็สามารถแบ่งปันวิชาความรู้ที่เรามีอยู่ให้แก่ผู้อื่นได้เช่นเรารู้จกวิธีทำขนมทำกับข้าวตัดเสื้อเย็บผ้าเราก็สอนให้ผู้ที่ไม่รู้ ได้รู้เพื่อเขาจะได้นำเอาไปใช้เป็นอาชีพต่อไปได้การให้แบบนี้เรียกว่าวิทยาทานสำหรับผู้ที่ออกโวกนั้นก็ไม่มีอะไรจะให้เพราะเป็นผู้ขอแล้วเนื่องจากได้ให้ไปหมดแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่สามารถให้แก่ผู้อื่นได้ก็คือธรรมะ พรผู้ออกบวชนี้จะเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมะจนบรรลุเห็นธรรมะขึ้นมาภายในใจถ้ามีธรรมะภายในใจก็สามารถให้ธรรมะแก่ผู้อื่นได้อย่างนั้นผู้ที่ออกบวชจึงไม่ต้องไปกังวลกับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะเอาไปทําบุญทำทางอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ ของนักบวชหน้าที่ของนักบวชหรือผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี้ต้องมุ่งไปที่การศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างขยันอย่างอย่างท้ออย่างอดทนอย่างกล้าหาญเพื่อที่จะให้ได้บรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติพอได้รับ ผลแล้วรู้แล้วว่าธรรมะเป็นอะไรธรรมะที่ดับความทุกข์ทั้งหลายภายในใจได้นี้ได้มาอย่างไรเป็นอย่างไรก็สามารถนําเอาไปแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้เรียกว่าเป็นธรรมทานการให้ธรรมะนี่แลที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชนะการให้ทั้งปวง เพราะไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าต่อชีวิตจิตใจของสัตว์โลกยิ่งกว่าธรรมะเพราะมีธรรมะเท่านั้นที่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกได้มีธรรมะเท่านั้นที่จะตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้สิ่งอื่นๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่สามารถทำได้ต่อให้มีเงินเป็นแสนล้านเหมือน แสนล้านลาลานก็ไม่สามารถเอาเงินทองเหล่านี้มาดับความทุกข์ภายในใจได้ดับได้ก็แต่ความทุกข์ทางร่างกายเช่นถ้าร่างกายทุกข์เพาขาดแคลนอาหารก็เอาเงินไปซื้ออาหารมารับประทานได้ขาดแคลนที่อยู่อาศัยขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มขาดแคลนยารักษาโรคก็สามารถเอาเงินทองนี้มา รักษาดูแลร่างกายให้หายจากความทุกข์ที่เกิดจากการขาดแคลนสินต่างๆได้แต่เงินทองไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ได้ไม่สามารถจะมาตัดพพตัดชาติให้หมดไปได้มีแต่จะกลับทำให้มีความมีพพชาติเพิ่มมากขึ้นไปเพราะเวลาที่ได้เงินทองมา แล้วแทนที่จะรู้จักคำว่าพอกลับเกิดความอยากที่จะมีมากเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆนั่นเองความอยากนี่แหละที่เป็นเหตุที่ทำให้สัตว์โลกทั้งหลายต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ตามอำนาจของบุญและบาป ท, ที่ได้ทำเอาไว้ความอยากนี้ที่ทำให้สัตว์โลกต้องเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่สามประการคือ กามกตัณหาความอยากในการอยากในรูปสีนิ่มลถโสดพะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโต อ, อ, อ, อยากเป็นผู้ที่มีคนเคารพนับถือกราบไหว้บูชาเรียกว่ากัปภาวะตัณหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคือวิภาวะตัณหา ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากทุกข์ยากลําบากความอยา ก, กต่างๆเหล่านี้แหละที่เป็นสาเหตุที่ทําให้สัตว์โลกต้องทุกข์ใจต้องไม่สบายใจกันต้องไปเวียนว่ายตายเกิดกันนี่คือสิ่งที่ธรรมะจะมาสอนผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติและช่วยกําจัด ตัหาความอยากต่างๆทั้งหลายให้หมดไปถ้าไม่มีความอยากแล้วจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องใดทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายของคนอื่นก็ดีหรือร่างกายของตนเองก็ดีเช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายจะตายไปถ้าตัดตันหาความอยากในใจได้แล้ว ก็จะไม่มีความอยากที่จะไม่ตายหรือไม่เจ็บเวลาเจ็บก็ปล่อยให้เจ็บไปเวลาตายก็ปล่อยให้ตายไปใจไม่เดือดร้อนใจไม่วุ่นวายเพราะใจเห็นโทษของความอยากไม่ตายอยากไม่เจ็บว่าเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ใจนั่นเองแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนความจริงได้ ไม่สามารถไปหยุดความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ไม่สามารถหยุดความตายได้ความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้ไม่เป็นประโยชน์กับใจหรือกับร่างกายแต่อย่างใดกลับเป็นโทษแก่ใจเป็นอย่างมากเพราะจะทําให้เกิดความกลัวอย่างสุดขีดเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างสุดขีดนั่นเอง สำหรับผู้ที่สามารถหยุดความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บ <c oughs> กับความตายของร่างกายไม่ว่าจะเป็นของไขกระตายของตนเองก็ไม่เดือดร้อนของคนอื่นที่รักที่เคารพ ก, ก็ไม่เดือดร้อนเพราะรู้ว่าทำอะไรไม่ได้นอกจากให้หมอให้ยาดูแลไปเท่านั้น ถ้าหมอและยาดูแลไม่ได้ก็ต้องส่งไปให้สัปเรล่าต่อไปเพราะนี่เป็นสัจธรรมความจริงของร่างกายที่จะต้องเป็นอย่างนี้และเป็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เราได้มาครอบครองเป็นสมบัติของเราเช่นลาบยกสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกเล่นกาย สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับมีมามีไปกันธรรมดาคนฉลาดจึงจะไม่ไปหลงหาหรือไปยึดติดกับสิ่งเหล่านี้เพราะเมื่อหลงยึดติดแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจเวลาที่สูญเสียไปหรือเวลาอยากได้แล้วไม่ได้ขึ้นมา ก็เสีย อ, อกเสียใจไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ทําให้ใจดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นหรือมีความทุกข์น้อยลงแต่กลับทําให้จิตใจ ย, ย่ําแย่ทําให้จิตใจมีความทุกข์มากขึ้นมีความสุขน้อยลงดังนั้นอย่าไปหลงกับการแสวงหาลาบยศสรอเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย พ่าเป็นการเดินเข้าหาความทุกข์เป็นการสแสวงหาความทุกข์ไม่ได้สแสวงหาความสุขถ้าอยากจะสแสวงหาความสุขต้องดำเนินตามทางที่พระพุทธเจ้าส่งสอนคือให้ทําบุญทําความดีเช่นให้ทานต่างๆจะเป็นวัตถุทานก็ได้คือข้าวของเงินทองจะเป็นวิทยาทานก็ได้ จะเป็นธรรมทานก็ได้ให้แล้วจะทำให้ใจมีความอิ่มมีความสุขมีความสบายใจเมื่อให้ได้แล้วขั้นต่อไปท่านก็สอนให้ให้ละ บ, บาปอย่าทำบาปเพราะการทำบาปเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ใจนั่นเองเหมือนกับเอาของแหลมคมมาทิ่มแทงใจของตนเองเวลาทำบาปแล้วจะรู้สึกไม่สบายใจ จะหวาดกลัวที่จะต้องไปรับผลของบาปกรรมที่ตนเองได้ทําไว้จะอายเวลาที่ผู้อื่นรู้ว่าตนเองได้ทําบาปก็จะไม่มีความสุขไม่มีความสบายใจแต่ถ้าไม่ทําบาปได้ใจจะรู้สึกเย็นสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่วิตกกังวล พราะไม่ได้ทำอะไรเสียหายนั่นเองนี่คือการสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและกับผู้อื่นเพราะการไม่ทำบาสนี้ก็จะไม่ไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนต่างกับผู้ที่ทำบาปผู้ที่ทำบาสนี้จะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเช่นไปลักทรัพย์ของผู้อื่นก็ทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเพราะทรัพย์นั้นมีความสำคัญกับ กับเขาเขาต้องอาศัยทรัพย์เพื่อเพื่อจะได้อยู่อย่างน่มเย็นเป็นสุดพอเขาขาดทรัพย์ไปเขาก็เดือดร้อนเราก็เดือดร้อนเพราะว่าเราก็จะต้องคอยหลบคอยซ่อนกลัวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือใครก็ตามที่รู้เห็นเข้าจะตามมาจับเราไปลงโทษ จเราไปเข้าคุกเข้าตารางการทาบาปจึงเป็นโทษทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นส่วนการไม่ทําบาปนั้นก็จะเป็นประโยชน์กับตนเองและกับผู้อื่นผู้อื่นก็ได้รับประโยชน์คือไม่ไม่เดือดร้อนตนเองก็ไม่เดือดร้อนได้รับประโยชน์คือได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุดไม่ต้องวิตกกังวลกับผลที่ไม่ดีที่จะตามมา นี่คือเรื่องของการทำบาปที่เราต้องพยายามทำให้ได้ทำจากเล็กไปทำจากน้อยไปหามากเบื้องต้นถ้าไม่สามารถรักษาศีลได้ทั้งห้าข้อก็รักษาข้อใดข้อหนึ่งไปก่อนก็ได้เอาข้อหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็เริ่มเป็นข้อที่สองเริ่มเป็นข้อที่สเพิ่มไปเรื่อย แล้วก็รักษาให้บ่อยขึ้นไม่ใช่รักษาเฉพาะแต่เพียงวันพระเท่านั้นควรพยายามรักษาให้ได้ทุกวันเป็นสิ่งที่ทำได้ถ้าเราตั้งใจจะทำถ้าเราเห็นคุณค่าของการรักษาศีลแล้วเราจะอยากจะรักษาศีลถ้าเราเห็นโทษของการทำบาปเราจะไม่อยากจะทำบาปนั้นขอให้เราพิจารณาถึงโทษที่จะตามมา เวลาที่เราทำบาปในปัจจุบันก็จะทำให้จิตใจของเราว้าวุ่นขุ่นมัววตกกังวลไม่สงบไม่สบายใจตายไปถ้าเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องไปเกิดในอวบายเช่นกลับมาเกิดเป็นสุนัขอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นผลที่เกิดจากการทำบาปถ้าทำบาปหนักก็ไปตกนรก นรกก็คือไฟเผาหัวใจนี่เองใจนี้จะร้อเป็นฟืนเป็นไฟไปเป็นเวลาอันยาวนานสังเกตดูวันไหนที่เราใจของเราทุกข์มากๆวันนั้นละ่ะใจของเรากำลังตกนรกอยู่ตกนรกเพราะเราไปทําสิ่งที่ไม่ดีมาทําให้เราต้องวิ่นว้าวุ่นขนงัววุ่นวายใจ หรือเป็นรับผลของการกระทําที่ไม่ดีมาเช่นเวลาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับเข้าเข้าไปในคุกในตารางใจก็จะมีแต่ความทุกข์ความรุ่มร้อนใจนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการทำบาปถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะเกิดมีหฮเิรอตปะขึ้นมาคือมีความละอายในการทำบาป และมีความกลัวในผลของบาปที่จะเกิดขึ้นตามมาถ้ามีฮริโอตปะแล้วเราก็จะไม่กล้าทำบาปกันเหตุที่เรายังกล้าทำบาปกันอยู่เพราะว่าเราไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นจริงเราไม่เชื่อว่าการได้กลับมาเกิดเป็นเด ร, ราชาณ น, นี้เป็นผลที่เกิดจากการทำบาปเราไม่เชื่อว่ามีนรกจริง เราไม่เชื่อก็เราไม่รู้ว่านรกเป็นอย่างไรนรกที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังนั้นความจริงไม่ใช่เป็นนรกที่แท้จริงนรกนี้ไม่ใช่เป็นสถานที่แต่เป็นสภาวะของจิตใจเวลาจิตใจมีความทุกข์มากๆนี่แหละคือนรกวันไหนที่มีความไม่สบายใจมีความทุกข์ใจ วันนั้นแลเป็นวันที่นรกปรากฏขึ้นมาแล้วนรกอยู่ในใจสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนี่เป็นคำสอนที่ถูกต้องนรกและสวรรค์ น, นี่ไม่ใช่เป็นสถานที่แต่แต่เป็นสภาวะของจิตใจที่เกิดจากการที่เกิดหลังจากได้ทำบาหรือได้ทำบุญอย่างวันนี้ญาติโยมมาทำบุญตอนนี้จิตใจของญาติโยม เย็นสบายมีความสุขอันนี้ก็เป็นสวรรค์เรียกว่าเกิดจากการทำบุญสวรรค์เกิดจากการทำบุญและนรกเกิดจากการทำบาปขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนเชื่อพระอริยสงสารกเถิดเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงและการสั่งสอนของท่านนี้ไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ วกจากผู้ศึกษาเลยแม้แต่บาทเดียวไม่เรียกร้องค่าศึกษาไม่ต้องการอะไรเป็นผลตอบแทนเพียงแต่อยากจะให้ผู้ที่ไม่รู้ได้รู้ความจริงเพื่อที่จะได้ปลดเปื้องตนเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้เท่านั้นดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อย่างเต็นที่ เพราะผู้ที่เชื่อมาแล้วนั้นได้รับได้รับประโยชน์มาแล้วเป็นจำนวนมากนั่นก็คือพระอรหันตสาวกทั้งหลายก่อนที่ท่านจะเป็นพระอรหันตสาวกท่านก็เป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนพวกเราอย่างนี้แลท่านก็ยังมีความมืดบอกมีความหลงท่านก็ยังไม่รู้ว่านรกมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่ แต่หลังจากที่ได้ยินได้ฟังก็ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ทำบุญให้ละบาปให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์พอนำเอาไปปฏิบัติตามก็ปรากฏมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นว่านรกสวรรค์นี้มีจริงมีอยู่ในใจของเราเห็นว่าการเวยนว่ายตายเกิดของเรานี้ เกิดจากความหลงที่สร้างความอยากต่างๆให้เกิดขึ้นมาพอเห็นแล้วว่าความอยากนี่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดที่เกิดจากความหลงที่ไม่รู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของเราอย่างแท้จริง ไม่มีอะไรในโลกนี้จะอยู่กับเราไปได้ตลอดพอรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางตัดความอยากต่างๆตัดความอยากได้ราบยศจะร่เสริญอยากได้ความสุขต่างๆอยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นเพราะเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เขามีเหตุมีปัจจัยของเขาเขาจะเกิดเขาจะดับ ไม่ได้อยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่ความอยากของเราเราอยากให้เขาเกิดถ้าเขาไม่มีปัจจัยให้เขาเกิดเขาก็ไม่เกิดเราอยากให้เขาดับถ้าไม่มีปัจจัยให้เขาดับเขาก็ไม่ดับเขามีเหตุมีปัจจัยของเขาเราไปวุ่นวายไปอยากกับเขาไม่ได้อยากให้ร่างกายนี้ไม่ตายก็ไม่ได้เพราะเหตุที่จะทำให้ร่างกายไม่ตายนี้ไม่มีนั่นเอง มีแต่เหตุที่จะทำให้ร่างกายนี้ตายนี่คือความจริงที่เราจะต้องศึกษาเพื่อที่จะลบความหลงความไม่รู้ให้ออกไปจากใจของเราพอเราไม่มีความหลงแล้วเราก็จะไม่อยากกับสิ่งต่างๆในโลกนี้พอเราไม่อยากแล้วเราก็จะไม่ทุกข์และจะไม่ไปเกิดอีกต่อไป นี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติมาแล้วด้วยการทำบุญลาบาด้วยการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการศึกษาฟังเทศ์ฟังธรรมและด้วยการพิจารณาความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรา คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ามีปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะทำลายความหลงได้ความหลงที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ที่งแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราเป็นของเราที่พวกเราทุกวันนี้คิดกันเราจะคิดว่าการมีเงินทองนี้จะอยู่กับเราไปตลอด เงินทองนี้จะให้ความสุขกับเราไปตลอดเงินทองนี้เป็นของเราแต่พอวันดีคืนดีเงินทองนั้นหายไปหรือหมดไปก็จะทุกข์ทรมานใจและอาจจะไม่อยากจะอยู่ต่อไปก็ได้คนที่สิ้นเนื้อประดาตัตวนี้จะไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอยากจะฆ่าตัวตายเพราะอยู่แล้วมันทุกข์ทรมานใจ แต่การฆ่าตัวตายก็ไม่สามารถไปดับความทุกข์ทรมานใจได้ร่างกายตายไปแล้วใจก็ยังจะต้องไปทุกข์ทรมานต่อในนรกอกีกเพราะไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์ทรมานใจการจะดับความทุกข์ทรมานใจได้ต้องมีปัญญาต้องเห็นความจริงต้องยอมรับความจริงว่ามีเกิดต้องมีดับไปเป็นธรรมดา มีมาก็ต้องมีไปเป็นธรรมดาถ้ายอมรับความจริงได้เวลาสูญเสียอะไรไปจะไม่รู้สึกเดือดร้อนจะรู้สึกเฉยเฉยเช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านไม่เดือดร้อนกับการสูญเสียอะไรทั้งนั้นสูญของภายนอกท่านก็เสียไปหมดแล้วเช่นสมบัติเข้าของเงินทองท่านก็สละไปหมดแล้วไม่ยึดไม่ติดไม่เสียดาย เหรืออยู่เพียงอย่างเดียวก็คือร่างกายร่างกายก็เหมือนสิ่งภายนอกที่จะต้องดับไปในที่สุดท่านก็ปล่อยวางเหมือนกับท่านปล่อยวางของภายนอกเคยปล่อยวางของภายนอกได้แล้วการมาปล่อยวางร่างกายก็เป็นเป็นการปล่อยวางแบบเดียวกันปล่อยได้เหมือนกันถ้าปล่อยของภายนอกได้ก็มาปล่อยร่างกายได้พอปล่อยร่างกายได้ก็จะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกาย นี่คือการชำระใจด้วยการนั่งสมาธิและด้วยการเจริญปัญญาต้องมีสมาธิด้วยถึงจะเจริญปัญญาได้ถึงจะมีกำลังปล่อยได้ถ้าไม่มีสมาธิถึงแม่รู้อยู่ว่าจะต้องปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ถึงเวลาจากกันก็จะต้องทุกข์ทรมานใจจะต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าสศกเสียใจเพราะไม่รู้จักหยุดใจหยุดยั้งใจนั่นเอง การทำสมาธินี้เป็นการหยุดยั้งใจเบรคใจไม่ให้ดีใจไม่ให้เสียใจไม่ให้ยึดติดกับสิ่งต่างๆให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ปัญญาเป็นเพียงผู้บอกผู้ชี้ให้รู้ว่าต้องปล่อยอะไรต้องไม่ยึดติดกับอะไรแต่จะยึดจะปล่อยได้หรือไม่นี้ต้องอยู่ที่สมาธิถ้าไม่มีสมาธิก็ปล่อยไม่ได้ อย่างพวกเรานี้แล้วก็ได้ยินได้ฟังธรรมมากกันม า, มากพูดความจริงแล้วเราก็มีปัญญามากแล้วเรารู้แล้วว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นสุขที่แท้จริงไม่มีอะไรเป็นของเราแต่เราก็ยังปล่อยไม่ได้เรายังยึดติดอยู่ก็เพราะว่าเราไม่มีกำลังที่จะปล่อยนั่นเองกำลังที่จะยึดติดนี้มันมีมากกว่ากาลังที่จะปล่อย ทั้งๆ ท, ที่รู้อยู่ว่ายึดติดแล้วจะต้องทุกข์ทรมานใจแต่ก็ปล่อยไม่ได้เพราะเราไม่มีกำลังดังนั้นเราต้องทำสมาธิให้ได้ก่อนต้องเจริญสติอยู่เรื่อยๆเพราะการจะทำจิตให้สงบได้นั้นจะต้องมีสติเป็นผู้ดึงใจเข้าสู่ความสงบสติคือการระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันให้รู้อยู่ในเหตการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน อย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าให้ไปคิดในเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตหรือเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นมาในอนาคตหรือไม่ให้คิดอะไรเลยให้รู้เฉยเฉยให้รู้ว่ากำลังทําอะไรถ้ารู้เฉยเฉยไม่ได้อยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ให้ใช้การบริกรรมพุทโธดึงเอาไว้พุทโธพุทโธไปแล้วก็จะคิดอะไรไม่ได้พอมีเวลาว่างก็ไปนั่ง หาที่สงบนั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุโทโธไปก็ได้หรือดูลมหายใจไปก็ได้แล้วไม่นานใจก็จะเข้าสู่ความสงบจะหยุดนิ่งจะสุขจะสบายจะปล่อยวางทุกอย่างชั่วคราวถ้าทําสมาธิได้แล้วเวลาออกมาถ้าอยากจะปล่อยอะไรก็ปล่อยได้อยากจะหยุดความอยากก็หยุดได้เมื่อหยุดได้แล้วก็จะไม่ทุกข์กับอะไร ก็จะมีแต่ความสุขความสบายไปตลอดนี่คืองานที่พระพุทธเจ้าส่งมอมให้แก่พวกเราให้ทำเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเราและผู้อื่นคือให้ทำบุญละบาปและชำระใจให้สะอาดบริสุทิด้วยความไม่ประมาทคือต้องให้รีบทำเสียแต่บัดนี้เพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีหรือไม่พรุ่งนี้เราจะว่างจะมีเวลาหรือไม่ ร่างกายของเราจะมีสุขภาพแข็งแรงที่จะทำได้หรือไม่เราไม่รู้กันตอนนี้เราทำได้จึงควรรีบทำเสียอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งเพราะเมื่อถึงเวลาแล้วจะอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้เราก็ได้จึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญลา บ, บางบาตรชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยความไม่ประมาทนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณา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 ด้วยอายุวันดาสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ